พระบัญญัติ378ก็ภิกษุใดเอาบาดหรือจีวรผ้าปูนั่งกล่องเข็มหรือประคดเอวของภิกษุไปซ่อนชายให้เอาไปซ่อนโดยที่สุดแม้มุ่งจะล้อเล่นต้องอาบาิปลาจิตตีเรื่องพระสัตรัสวคีจบ